วันนี้โยมเรียบร้อยผิดปกติพนดาหลวงพ่อเดินมาถึงหัวโค้งก็จะได้ยินเสียงวันนี้นั่งกันเงียบดีนะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆพยายามเจริญสติทุกคราวที่มีโอกาสนะเราคุยชักชๆกชักฟุงซ่านแบบเรามีเวลาเมื่อไหร่ก็พยายามดูใจของเรา หลวงพ่อก็ฝึกมาแบบนั้นแหละอกมีเวลานิดหน่อยก็ดูไม่ทิ้งเปล่าๆตายเปล่าๆ เ, เ, เก็บช่วงเวลาเป็นขราวาสนะมันจะมีเวลาไม่มากวันๆหนึ่งช่วงไหนว่างห้านาทีสิบนาทีดูไปเรื่อยๆถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะก็ไม่ช้าหรอกการภาวนาก็าจะไม่ ไม่ใช่ว่าทาไปแล้วก็ไม่เห็นฝั่งสทัทีถ้าใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะใจเราไม่ทิ้งธรรมะธรรมะไม่ทิ้งเราหรอกวันหนึ่งก็ต้องแจ้งขึ้นมาจนได้แหละมียกเป็นคนบางจำพวกภาวนางไงก็ไม่แจ้งพวกมีอนันตริยกรรมโอกาสที่เราจะทำอนันตริยกรรมในชีวิตนี้ยากนะโอกาสมีแค่ข้าพ่อข้าแม่ ข่าพระอราหันต์ก็ไม่รู้พระอราหันต์อยู่ที่ไหนข้าไม่ถูกคงไม่ไปเดินเตะใครตายสักคนแล้วก็เอินคนนั้นเป็นพระอราหันต์คงยากพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วที่จะทำให้ท่านพ่อพระโลหิตเราเป็นค า, ารวาสเราไม่สามารถทำสังฆเภทได้ทำให้สงแตกแยกเป็นอนันตริยกรรม คนที่ทำให้สงแตกแยกได้ก็ต้องเป็นพระด้วยกันระวาดยิยพระให้ตีกันนถือว่าพระโง่องเองเฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำอนันตริยกรรมในชีวิตนี้ก็มีเรื่องฆ่าพ่อฆ้าแม่ที่เป็นไปนได้คนไหนพ่อแม่ตายแล้วหมดโอกาสละหมดโอกาสทำอนันตริยกรรมอีกพวกหนึ่งก็พวกด่าว่าพระอริยะด่าในใจไม่เป็นไรนะ ด่าออกมาทางปากด่าให้คนได้ยินอยากให้ท่านเสียหายอะไรเงี้ยมุ่งร้ายอยากให้ท่านเสียหายพวกนี้เรียกว่าอริยปวาโทภูมวิวาจาดูมินเหยียดดามด่าว่าพระอริยะตรงนี้เราก็ต้องระวังเราเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะคนนั่งข้างๆเราอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้ คนในบ้านเราอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้เราไม่รู้หรอกงนไม่ด่าเลยก็ดีที่สุดอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวกนิยตะมิชชาทิฐิพวกมิชชาทิฐิโดยกำเนิดเลยโดยสายเลือดมีความเห็นผิดเป็นชอบตลอดเวลามิชชาทิฐีเยอะนะแต่ว่ามันเป็นมิจชาทิฐิชั่วครั้งชั่วคราวมิจชาทิฐีถาวร แบบฝังรากลึกเลยนะี้ยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่มากนานๆเจอรายหนึ่งเป็นมาแต่ไหนแต่ไรบางคนมันเกิดมามันมุ่งไายกับาศาสนาพุทธมาทั้งหลายยุคหลายสมัยแล้วเกลียดมันก็ฝังลึกมาติดเนื้อติดตัวมาปลอมปนเข้ามาอยู่ในแวดวงชาวพุทธก็มีนะ ลราก็จะพยายามเผยแพร่สิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนออกไปนี่ถ้าเราสำรวจตัวเราเองแล้วก็จุดที่ร่อแหลมมีแต่เรื่องอริยปวโทรเรื่องด่าพระอริยะเรื่องอ น, นันตริยกรรมทายากนื้อตมิจฉาทิฐิพวกเราก็คงไม่ถึงขั้นอย่างไม่เห็นเนาะ <c oughs> มีเหมือนกันแหละนานนานม า, นนานทีส่วนมากก็ เขาฝังรากลึกมาจากศาสนาอื่นๆที่เป็นศัตรูกับศาสนาพุทธมาก่อนคุ้นเคยที่จะทำลายแต่ชาวพุทธที่เพียนๆแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐินี่เยอะนะเยอะมากเลยอย่างเมื่อไม่กี่วันหลวงพ่อก็ได้ยินคนหนึ่งประกาศวาทะบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยคือการรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ แม่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ทราบซึ้งถึงอกถึงใจอ๋อรู้สึกตัวแปลว่ารู้สึกว่ายังไม่ตายรู้สึกว่าเรายังอยู่เรียกว่ามีชีวิตมีชีวะอยู่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติชีวะนะท่านบัญญัติรูปนามเนี่ยฟังแล้วแหมเหมือนเป็นชาวพุทธนะแล้วพวกชาวพุทธที่ไม่ศึกษาก็เคลิบเคลิ้มไปคิดว่าโ อ, โอ้เขาสอนธรรมะดีจังความรู้สึกตัวคือรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่ก็คือมีเราเห็นไหมมีคนมีสัตว์มีเรามีเขามีปัศนาจริงๆภาวนาจนเห็นความจริงว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ได้มีชีวิตอะไรมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมนามธรรมมันดำเนินของมันไปโดยสมมติโดยบัญญัติที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขา โดยสภาวธรรมโดยปรมตถ ธ, ธรรมมันมีรูปกระนำสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็แค่กายยาวาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคลองเนี่เป็นสัตว์ขึ้นมาพอแยกสภาวะออกไปแล้วสภาวะแต่ละสภาวะก็ไม่เรียกว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขานะีมีแต่รูปธรรมกระนามธรรมเท่าทนั้นเพรานเราพยายามรู้สึกตัวอย่างเวลารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย เราจะเห็นสภาวะเราจะเห็นรูปธรรมก็อยู่ส่วนหนึ่งนามรรมก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้าเห็นละเอียดขึ้นไปรูปธรรมก็ à, กระจายตัวออกไปบางคนเห็นแหล่งร่างกาย เ, ยเห็นเป็นก้อนาธ Schön, าตุเห็นเป็นธาตุดินบ้างธาตุไฟบ้างเป็นธาตุลมธาตุลมเริ่มดูยากธาตุน้ำดูยากที่สุดธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรู้ด้วยกายสัมผัสกายสัมผัสกายประสาท ส่วนนามนธรรมถ้ากระจายตัวออกไปก็เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจําได้ความหมายรู้จําได้อันนึงหมายรู้อันหนึ่งสองอันไม่เหมือนกันจําได้เช่นจําได้นี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่คนนี่หมาจําได้หมายรู้เป็นการเทียบเคียงปรากฏการใหม่ ส, สภาวะอันใหม่เข้ากับข้อมูลเดิมเรียกว่าหมายรู้ เช่นเราเคยเห็นไฟแดงอยู่ตามถนนเราก็จำได้ว่าโอ้ไฟแดงแปลว่าห้ามไปเดินเดินไปตามตึกตามไรนะเห็นมีกากระบาดแดงกว้างหน้าอยู่โอ้ทางนี้ห้ามไปเนี่ยหมายรู้เอาอีกอันหนึ่งก็คือสังขารความปรุงที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างที่เป็นกลางๆบ้างความปรุงแต่งนี่ก็เป็นนมามธรรมอีกพวกหนึ่ ง, อ, งอีกพวกหนึ่งก็คือตัวจิต จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตทำหน้าที่ต่างๆได้14อย่างเราไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นนะเราแค่เห็นจิตเกิดดับอยู่ในปัจจุบันเป็นขณะขณะไปท่านั้นก็พอละจิตมันทำงานได้ตั้งหลายแบบนะกว่าแบบ14บแบบสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ละสภาวะล้วนแต่ไม่มีตัวเราทั้งสิ้นงั้นเวลาที่เรามีสติขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของาธาตุของขันต่างๆแต่ว่ า, าธาตุขันทั้งหลายไม่มีตัวตนจะไม่รู้สึกหรอกว่าอ้อร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่จะรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุจะไม่รู้สึกหรอกว่าจิตนี้ยังมีชีวิตอยู่ เพาะว่าจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานที่ว่าเรายังอยู่เรายังอยู่นะั้นเป็นประกอบด้วยความเห็นผิดมองไม่เห็นสภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเลยคิดว่าตัวเรามีอยู่ยังมีชีวิตอยู่นี่มิจฉาทิฏฐิมีเยอะมากนะแล้วก็พวกชาวพุทธเราที่ศึกษาไม่แตกฉานลึกซึ้งพอก็ฟังแล้วก็เคลือบเคลิ้มเคลือบเคลิ้มเห็นดีเห็นงาม ก็ห่างไกลจากเรื่องของมิปัสสนากรรมฐานออกไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าใครมาบอกเราว่ารู้สึกตัวคือรู้ว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่อันนั้นไม่ใช่นะถึงขนาดเที่ยวสั่งสอนกันอย่างนั้นก็มีเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้สึกถึงความเป็นจริงของกายของใจร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ จิตใจเป็นนำมาทำทั้งหลายหลายตัวมาทำงานร่วมกันมีความรู้สึกสุขทุกข์อันนึงความจำได้หมายรู้อันหนึง่งความคิดนึกปรุงแต่งอันหนึง่งความรับรู้อีกอันหนึง่ง4อย่างนี้ทำงานอยู่ด้วยกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนว่เราคอรู้สึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่ไม่ใช่ตัวเรา เห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวทำงานนั้นไม่ใช่ตัวเราใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธใจมันโลภไม่ใช่เราโลภใจมันหลงไม่ใช่เราหลงใจมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านใจมันหดหู่ไม่ใช่เราหดหู่ใจมันสงสัยไม่ใช่เราสงสัยร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอน เห็นแต่รูปธรรมนามธรรมเห็นกายเห็นใจเขาทำงานของเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่เราทำค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นกายเห็นใจทำงานมันจะค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราจะถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราพอเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นว่ากายกับใจไม่ใช่เรานะเห็นทีแรกเนี่ยใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ บางคนเกิดความกลัวขึ้นอย่างรุนแรงว่าตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีบางคนกลัวมากเลยนะภาวนาเป็นขึ้นมาเห็นความเป็นตัวตนความรู้สึกมีตัวมีตนความรู้สึกมีตัวเราเนี่ยผุดขึ้นมาในใจผุดขึ้นมาชั่วกแาวเดียวพอมีสติรู้ทันความเป็นตัวเป็นตนนั้นสลายตัวไปนี่พอคนภาวนามาถึงตรงนี้เห็นตรงนี้นตกใจกลัวเลย ตัวเราจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีแล้วจะทำยังไงดีตัวเราไม่มีเห็นไหมมันรักมันหวงแหนสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามากทั้งๆที่พอไปเห็นความจริงแล้วก็เลยทนไม่ได้บางคนไม่กลัวบางคนเบื่อมีความเบื่อจับจิตจับใจเลยบางคนรู้สึกวงๆวงๆวงๆ่างไร้ที่พึ่งที่อาศัยนะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อทาอะไรนะ รู้สึกหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้อันนี้เป็นอาการของคนซึ่งเจริญวิปัสสนามาเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนำมาทำมาช่วงหนึ่งเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีจริงๆหรอกตัวเราไม่มีจริงๆเป็นแค่ความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นช่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ถ้าภาวนามาถึงตรงนี้อย่าตกใจเป็นทางผ่านเป็นช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งเท่านั้น ส่วนมากพอมาถึงตรงนี้ก็จะเสื่อมไปถอยไปแล้วไม่ยอมสู้ต่อมันเบื่อหรือเบื่อแล้วไปอยู่กับโลกดีกว่าหาอะไรต่ออะไรทำไปวันวันหนึ่งเล่นเปลินเินไปวันวันนึงเพราะมันน่าเบื่อภาวนาแล้วเบื่อเหลืเอเกินภาวนาแล้วก็เซ็งจิตใจดูหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความแห้งแล้งเห็นแต่ความทุกข์ตลอดเวลาทนไม่ไหวรู้สึกเบื่อรู้สึก กลัวรู้สึกอะไรก็หนีความจริงกลับไปคลุกอยู่กับโลกใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคนที่ใจแข็งจริงๆนะอบรมบารมีมาแก่กล้าพอเนี่ยถึงจะสู้ต่อไปได้ให้คอยมารู้ลงมาในกายในใจของเราต่อไปอีกมันมีความเบื่อแทรกขึ้นมารู้ว่าเบือ่อมันมีความกลัวแทรกเข้ามารู้ว่ากลัวนะมันมีความรู้สึกวงงๆจับอะไรไม่ได้เลยขึ้นมาก็รู้ไป สภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ให้เราสักว่ารู้สักว่าเห็นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราเคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นเองพอเรารู้ทันนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะในกายในใจเนี่ยไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางไม่ไม่กลัวละไม่เบื่อล้นะไม่รู้สึกขาดที่พึ่งที่อาศัย เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปจนปัญญามันมากขึ้นมากขึ้นมันเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวพอเขาเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าในที่สุดจิตมีปัญญา จ, mortal, จิตก็เลยเป็นกลางต่อทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราว กุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดนะีรู้ว่าชั่วคราวอกุศลทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยใดๆก็ตามเกิดขึ้นจิตก็แค่รู้แค่เห็นนะรู้ว่ามันชั่วคราวไม่เกลียดมันพวกเราหลายคนภาวนาจิตยังเข้ามาไม่ถึงความเป็นกลางด้วยปัญญานี้งั้นเวลากระทบสภาวะทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ย จิตมันหลงยินดีบ้างจิตมันหลงยินร้ายบ้างก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตมันเกิดความยินดียินร้ายให้รู้ทันเข้าไปอีกเห็นไหมกระ บ, บวนการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้ทันคําว่ารู้คําว่าเห็นนั่นนะคือคําว่าวิปัสสนานะรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ทําอย่างอื่นไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขให้รู้สภาวะทั้งหลายไปเรื่อยถ้าจิตยินดีขึ้นมาก็รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทัน ในที่สุดความยินดียินร้ายหายไปก็ตามดูสภาวะไปอีกจนเกิดปัญญานะเกิดปัญญาทีแรกมันไปรู้ทันความยินดียินร้ายด้วยสตินะด้วยสติมันก็ดับความยินดียินร้ายดับไปแต่ น, นี้ดับชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายอีกต่อเมื่อเกิดปัญญาแก่รอบเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยเกิดแล้วก็ดับเสมอกันหมดอันนั้นแหละจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญา ปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญาสังขารู้เบกขาแปลว่าอุเบกขาต่อสังขารเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงพอจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงด้วยปัญญาเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะหมดการทิ้นรนหมดการทำงานต่อจิตจะเข้าถึงคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้แล้วไม่หลงยินดีรู้แล้วไม่ห ล, ล, ลงยินร้ายนะ จิตพวกเรายังกระทบอารมณ์แล้วยังยินดียินร้ายนะยังเดินมาไม่ถึงสังขารุเบกขานี้ถ้าเราฝึกอบรมไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมาถึงสังขารุเบกขายานตรงนี้ก็ยังมีทางเดินได้3ทางทางที่1นึ่งพอมาถึงแล้วนิ่งนอนใจขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาเสื่อมได้ยังเสื่อมได้อีก เสื่อมแล้วต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งเริ่มรู้กายรู้ใจเอาใหม่อีกบางคนรู้มาสองรอบสามรอบนะหมดแรงชาตินี้หมดแรงแล้วชาตินี้ทําไม่ไหวแล้วท้อแท้ใจงั้นเราอย่าท้อแท้ใจนะการภาวนาต้องกัดติดจริงๆตามรู้กายตามรู้ใจรู้มันลุกเดียวรู้ตลอดชีวิตเราแหละรู้ไปเรื่อยๆตรับใจยังไม่พ้นทุก็รู้มันไปพอพ้นทุกเป็นพระอรหันต์แล้วก็รู้มันไปอีกแต่รู้แล้วไม่เหมือนกัน พวกเราหัดรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอย่างพระอราหารนะันรู้กายรู้ใจมรู้อัตโนมัติรู้แล้วจิตพรากออกจากกายจากใจจิตแยกออกจากขันจิตไม่เกี่ยวข้องกับขันสภาวะธรรมจะแตกต่างกันนี้พอเราสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ด้วยปัญญาแก่รอบพวกหนึ่งละเลยก็เสื่อมไป อีกพวกหนึ่งจิตใจมุ่งหวังพุทธภูมิตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจิตจะไม่ก้าวต่อไปสู่อริยมรรคอาจจะเสื่อมไปอีกก็ได้หรือทรงอยู่ก็ได้ถ้าทรงอยู่เนี่ยจิตพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นแล้วไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตก็จะได้รับการพยากรณ์ ว่าอีกนานเท่านั้นเท่านี้นะยังต่ำเสียเอาสงไขแสนมหากรับกับมหากั บ, กบหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกสลายาสงไขก็หนึ่งยกกำลังเอ้ส ย, ยกกำลัง150หโดยประมาณมีหลายตำลามีตั้งแต่ร4 0จนถึงร5 2หไม่รู้เอาไหนแน่นะร <c oughs> วมความแล้วเยอะมากเลย น, ะนาน แต่ว่าภาวนาต่อไปพวกนี้จะไปได้พวกที่ได้รับพยากรณ์แล้วไม่ถอยเนี่ยทำไมไม่ถอยเพราะจิตพวกนี้มีอุเบกขาพระโพธิสัตว์พวกนี้เห็นว่าสุขกับทุกข์นั้นเท่าเทียมกันนรกกับสวรรค์เท่าเทียมกันทุกสิ่งเท่าเทียมกันนั้นไม่กลัวความยากลําบากที่จะสะสมบารมีต่อไปเพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นอีกพวกหนึ่งนะประเภทที่สพวกนี้มักน้อย เห็นว่าเอาตัวรอดดีกว่าพ้นทุกข์ดีกว่าพวกนี้จะเกิดอริยมรรคขึ้นเกิดกระบวนการของอริยมรรคอริยมรรคมีกระบวนการที่เกิดอริยมรรคไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาแล้ววูบๆไปขาดสติไปแล้วบอกว่าบรรลุแล้วนะร่าริยาเถื่อนยุคนี้เยอะนะภาวนาไปกำหนดโน้ น, นนี้ไปจิตรวมปุ๊บลืมเนื้อลืมตัวไปชั่วขณะเอาแล้วบรรลุแล้วบรรลุแล้วบรรลุอะไรบรรลุโมหะ ไม่ใช่บัรูุอริยมรรคอริยผลอะไรวิธีสำรวจง่ายๆเลยก็คือถ้าคนไหนคิดว่าบัรลุแล้วนะให้สำรวจกิเลสตัวเองหัดสำรวจใจตัวเองอย่างซื่อตรงถ้าพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแม้กระทั่งเงาของความเป็นตัวตนผุดขึ้นมาอีกแต่พวกเราต้องภาวนาจนเห็นเงาของความเป็นตัวตนได้นะมันจะมีความเป็นตัวเป็นตนผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะ เวลาเราขาดสติมันรู้สึกมีเราเวลาขาดสติมรู้สึกมีเราขึ้นมาแต่ถ้าเป็นโซดาบัลแล้วจะไม่มีเราอีกแล้วความรู้สึกเป็นเราเนี่ยจะไม่ปรุงขึ้นมาอีกเนี่ยสำรวจไปบางคนได้ญาณหลายรอบบอกเป็นพระอรหันตนะ์แล้วทุกวันยังด่ากับสามีตีกับสามีอยู่ไม่ใช่นะของปลอมของจริงไม่ได้มีกิเลสครอบงําขนาดนั้นงั้นเราสำรวจตรงที่ใจเรานี่แหละยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่า นั้นเวลาที่คิดว่าบรรลุแล้วนะบนรรลุชั้นใดก็ตามให้สำรวจที่ใจตรงที่สำรวจที่ใจนี่ปกติถ้าเป็นบนรรลุของจริงเนี่ยจิตมันจะย้อนมาสำรวจเองเรียกว่ามีปัจเวคขณะยานตอนที่เกิดอริยมรรคหนึ่งขนาดจิตเกิดอริยผลสองหรือสามขนาดจิตถัดจากนั้นจิตจะถอนออกจากสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมาสู่โลกข้างนอกนี้ ออกมากระทบโลกข้างนอกนี้นะจิตดวงถัดมาที่ทํางานถัดมานี่มันจะย้อนเข้าไปพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้มันจะสํารวจเลยว่ากิเลสอะไรถูกละไปแล้วกิเลสอะไรเหลืออยู่บ้างมันจะสํารวจเองถ้าสํารวจเองอย่างนี้ยแน่นอนมั่นคงเลยจะรู้ละเอียดจนกระทั่งถึงขนาดว่าขนาดนี้เหลือกิเลสอยู่กี่เปอร์เซ็นต์วัดได้เลยนะมันจะวัดได้เลยว่ากิเลสเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเหลืออะไรบ้างอะไรบ้างที่ถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่น้อมใจเชื่อเนอี่ยเพราะฉะนั้นต้องมือฝึกนะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตของเราเองจนชัดเจนพอสภาวะแปลกๆเกิดขึ้นมันจะทวนเข้ามาตรวจสอบตัวเองอย่าน้อมใจเชื่อใครๆภาวนาก็อยากได้มากผลกันทุกคนแหละอยากเป็นพระอริยะทุกคนแหละแต่การเป็นพระอริยะไม่ได้เป็นเพราะความอยาก ต้องซื่อตรงต่อตัวเองสำรวจตัวเองบางคนพลาดทยากรประกาศตัวเองเป็นพระอริยะนะมีมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนพอประกาศแล้วบางท่านพอรู้ตัวว่าไม่ใช่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ในสมัยหลังพุท ธ, ธากาลมีพระองค์หนึ่งชื่อพระมหานาคาท่านก็คิดว่าท่านบนรรลุพระอราหันต์มานานนักหนานี้วันหนึ่งท่านอายุร้อแล้วท่านก็คงไปเดิน ในวัดนะแต่ว่าวัดมันก็เป็นป่านะป่ากับเมืองมันเกยกันอยู่ท่านเดินเดินไปแล้วช้างป่ามันซุ่มอยู่หลังต้นไม้มันโผล่ฟลวดออกมาร้องแฝงขึ้นมาใส่ท่านเห็นจิตของท่านมันกลัวช้างโอ้ท่านดีใจนะคงจะแทบไหว้ช้างเลยตรงนี้ท่านรีบกลับมาแล้วท่านก็บอกกระสงว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอราหันต์อย่างที่คิดหรอกผู้เฒ่าอายุร้อยสิบนะ เสร็จแล้วท่านก็สํารวจใจของท่านเลยทั้งดูของท่านแล้วท่านก็เป็นพระอราหันต์วันนั้นเลยเนี่ยเพราะท่านเห็นกิเลสที่ยังมีอยู่รู้เท่าทัานแล้วก็ไม่มัวหลงงมงายแบบขี่หลังเสือลงไม่ได้ละเป็นอาจารย์ใหญ่ลงไม่ได้ละวถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ลงไม่ได้นั้นแสดงว่ารักความเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้รักธรรมะไม่ได้รักมรรคผลนิพพานจริงนั้นเวลาเราภาวนานบางทีเราสําคัญผิดขึ้นมาว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่ ถ้าเราพบว่าไม่ใช่เราก็ต้องประกาศออกมาพระมหาราชท่านก็เป็นพระราหันในวันนั้นที่ตกใจช้างแล้วท่านก็นิพพานในวันนั้นเลยพอดีตายหมดอายุพอดีนะก็มีนะค่อยๆกับภาวนาได้เวลาออกขาอหลักฐัง <c oughs> ใจมันจะสำรวจนะมันจะทวนกระแสะเข้ามาสำรวจกิเลส ถ้าหากละเอียดประนีตขึ้นไปนะเป็นพระสกถาขานสติจะเร็วมากเลยกิเลสไหวตัวแวบก็ขาดสะบัน้นเพราสะสติทํางานทันทีกิเลสไหวตัวแวบก็ขาดสะบัน้นนั่นกิเลส ท, ท่านเบาบางาตัดครั้งที่สมเนี่ยจะไม่มีกามและปฏิฆะกามคืออะไรกามคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลินล่นรสแล้วก็สิ่งซึ่งมากระทบสัมผัสทางกาย ปฏิฆะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลินลพพ่นรสโผฏฐะที่มากระทบพระอนาคาพ้นจากสิ่งเหล่านี้สำรวจใจเราได้ถ้าคิดว่าเป็นพระอนาคาก็สำรวจเอาพระอราหันต์ก็ไม่มีกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นไปอีกพระอราหันต์ไม่มีอุทธัจจะอุทธัจจะนี่ไม่ใช่อุทธัจจะนิวรณ์อุทธัจจะนิวรณ์นี่เป็นความฟุ้งซ่านไปในกาม พระอนาคามีมีอุทัต จ, จะสังโยชน์อุทัต จ, จะสังโยชน์เป็นความฟุ้งซ่านในธรรมถ้าเราอยางฟุ้งในกามเนี่ยไม่ใช่พระอนาคาแต่ถ้าไม่ฟุ้งในกามแล้วฟุ้งแต่ในธรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นพระอนาคามิล้วพระอราหันต์จะไม่ฟุ้งซ่านในธรรมคือไม่ดิ้นรนค้นคว้าต่อไปแล้วหมดการดิ้นรนค้นคว้าเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระอราหันต์ไม่มีมารนณะไม่เทียบเขาเทียบเรา เราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเรากับเขาพอๆกันอาจจะเทียบโดยโวหารแต่ใจไม่เทียบจะเทียบโดยโวหารบางทีก็คนน้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นถูกคนนี้ถูกแต่ในใจจริงจะไม่ได้รู้สึกเทียบเขาเทียบเราทำไปด้วยเมตตาด้วยสงเคราะห์จริงๆพ ร, ระอรหันต์จะไม่ติดในความสุขจากความสงบทั้งหลายจากการเพ่งรูปหรือเพ่งนาม งั้นอย่างบางคนบอกว่าเป็นพระระหารันสังเกตให้ดีบอกใจนิ่งใจว่างใจสว่างใจสะอาดหมดจดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานี่รู้สึกใจเสถียรอยู่อย่างนี้สังเกตให้ดีจิตมันไปยินดีพอใจในความว่างๆืานทีว่างๆไปอยู่ข้างหน้านี่แหละหลวงพ่อเคยเห็นนะลราหันเทียมใจมก็ว่างอยู่ข้างหน้านี่แหละว่างแล้วเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไปนิดนึงแล้วไปแปะไว้ไปแปะอยู่แล้วเนี่ย มันไม่ค่อยยอมปแปะๆไว้ว่างโลกกาะแทว่างนะเห็นอะไรก็ว่างไปหมดเลยอันนี้เป็นการสร้างพบอันหนึง่งจิตมีความทยานนะจิตมีความทยานอยากคือมีตัณหาทยานเข้าไปเกาะมีอุปาทานสร้างพบที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นมาอันหนึง่งนะอันนี้ไม่ใช่พระอรหันต์จริงจิตยังดินดีพอใจในความนิ่งความว่างเรียนกะว่าติดใจในอรูปปรคาคะ มีอรู ป, ปราคาอยู่ติดในอรูปเพราะนั้นถ้าสำรวจใจนะใจยังติดยังคล้องอะไรแม้แต่เล็กน้อยนะก็ไม่ใช่พระอราหารันติดกระทั่งความไม่มีอะไรติดกระทั่งความว่างพวกนี้ดูยากแลาาหละพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาหมายถึงอะไรหมายถึงแจมแจ้งในอริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ ตราบใดมีธาตุมีขันตราบนั้นยังมีความทุกขนะ์แต่ถ้าจิตของพระอราหันต์เนี่ยธาตุขันมันเป็นของโลกคืนโลกไปจิตไม่มีความทุกข์จิตไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปเกานะแต่จิตไม่ได้แยกชั้นออกจากโลกจิตกับโลกนะีกลืนเป็นปเนื้อเดียวกันไม่ได้แยกชั้นออกเป็นสองส่วนอย่างที่เราเคยเห็นพวกเราภาวนาเบื้องต้น พอหัดภาวนารู้สึกไหมกายกับจิตแยกออกจากกันแยกเป็นสองส่วนนะกิเลสก็แยกอยู่ต่างหากมีมีสองส่วนนะแต่ตรงที่คืนจิตให้โลกไปแล้วเนี่ยจิตกับโลกนี่เป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่ยึดถือเลยนะแล้วก็โลกเนี่ยไม่สัมผัสเข้าถึงจิตเลย ท, ท, ทั้งที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่สัมผัสกันนะไม่ได้แยกชั้นออกเป็นสองส่วนจิตนั้นเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นเองเรียกว่าจิตหนึ่งแต่จิตหนึ่งก็ไม่ได้เที่ยงนะ จิตหนึ่งเองก็ยังมีสภาวะที่แตกต่างจิตหนึ่งบางดวงประกอบด้วยโสมนัสมีความสุขจิตหนึ่งบางดวงประกอบด้วยอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกจิตที่เป็นจิตหนึ่งบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาทำหน้าที่รู้เฉยเฉยงนั้นสิ่งที่เรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งนะจริงๆก็คือคาว่ามหากริยาจิตนั่นเอง ถ้รยนอพิธรรมไม่รู้จักคาว่าจิตหนึ่งไม่จะรู้จักคาว่ามหากริยาจิตมีได้8อย่างถ้าทรงฌานเข้าไปก็มีได้เพิ่มขึ้นไปอีกเรียกว่ากริยาจิตหมายถึงว่ามันทำงานศักว่าทําไปอย่างนั้นเองแต่มันไม่เสพมันไม่เสรอารมณ์ทางใจโอกเทศยาวไป8ดโมงพอดีฟังๆไปนะวันหนึ่งก็เห็นวันหนึ่งก็เข้าใจ หลวงพ่อแต่ก่อนไปเรียนจากหลวงปู่ดูล์ท่านก็ว่าให้ฟังให้ก็เทศให้ฟังเราก็ไม่รู้ไม่เห็นหรอกต้องภาวนาวบางอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนนะภาวนาวตั้ง20ปีถึงจะรู้จะเห็นบางอย่างก็ชาตินี้ยังไม่เห็นนะชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่เชิญไปถัดข้าวนิมนต์ครับ